1.2. งานหลักของชีวิตการภาวนาเป็นงานหลักที่ต้องทำแต่ไม่ใช่ไม่ให้ทำงานประกอบอาชีพเพียงแต่ต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้ในวงเล็บถือว่าเป็นหัวใจของการเจริญวิปัสสนาเพราะสมบัติทางโลกเป็นของชั่วคราววันหนึ่งก็จะหายไปหมดแต่การเจริญภาวนาจะติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติถ้าชาตินี้ต้นไม้นี้ไม่ออกดอกออกผลชาติต่อไปจะงอกงามอย่างรวดเร็วเพราะคุ้นเคยกับการมีสติอยู่แล้ว